ภิกษุณีเหล่าอื่นที่มีความประพฤติอย่างนี้มีกิตติศัพท์อย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ชอบปกปิดโทษกันไว้ก็มีอยู่ในสงฆ์สงฆ์ไม่ว่ากล่าวอะไรๆภิกษุณีเหล่านั้นคำว่าสงฆ์ว่ากล่าวพวกท่านด้วยความดูหมิน่นได้แก่ด้วยความดูถูกคำว่าเหยียดหยามได้แก่ความหยาบคายคาว่าด้วยความไม่พอใจได้แก่ด้วยความโกรธเคือง ว่าด้วยการข่มขู่ได้แก่ด้วยการกำราบคําว่าเพราะพวกท่านอ่อนแอคือเพราะความไม่มีพวกสงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายอยู่ครุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิเิสศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียนภิกษุณีสง์ปกปิดโทษของกันและกันท่านทั้งหลายจงแยกกันอยู่สงย่อมสรรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้น คำว่าภิกษุณีนั้นได้แก่ภิกษุณีผู้ชอบพูดเช่นนั้นคำว่าอันภิกษุณีทั้งหลายได้แก่อันภิกษุณีพวกอื่นภิกษุณีทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนว่าแม่เจ้าท่านอย่าพูดอย่างนี้ว่าพวกท่านจงอยู่พวกคีกันอย่าแยกกันท่านทั้งหลายจงแยกกันอยู่สงย่อมสรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเพึ่งว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่ส ึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอบัตทุกกฎพิษุนะีนั้นทั้งหลายรู้แต่ไม่ตักเตือนต้องอบัตทุกกฎพิกชนีนั้นอันภิษุนีทั้งหลายพึงนำมาท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่าแม่เจ้าท่านจะกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลาย พวกท่านจงคลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่พวกท่านจงแยกกันอยู่ทรงย่อมสรรเสริญการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้นพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอ ბ ทุกกฎพิกษณีนั้นอันสงพึงสวดสมรภาพ